เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หกวันที่ 14, สิบอดถึงสิสสัมมาวาจาเย็นวันหนึ่งฉันอยากออกกําลังกายและสูตรอากาศที่สดชื่นบ้างจึงเลือกขี่จักรยานเสือหมอบไปตามถนนหลังหมู่บ้านซึ่งสองฝากฝั่งจะอุ่มเขียวด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ขณะขี่จักรยานฉันกระทบทวนไปด้วยว่าองค์มรรคข้อที่ว่าด้วยสัมมาวาจาของฉันเป็นอย่างไร มีไหมที่ยังพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคาหยาบและพูดเพ้อเจ้อก็ตอบตนเองว่าดูเหมือนเรื่องพูดเพ้อเจ้อยังมีบ้างเป็นครั้งคราวเวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับสมาชิกในครอบครัวแต่เป็นนิสัยในการพูดเล่นแบบเก่าๆที่ยังหวงไว้เพื่อรักษาบรรยากาศเดิมๆ ม, มากกว่าจะไร้สติแบบขาดลอยฉันมองแบบทบทวนย้อนไปในอดีต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 จะคิดจะทำอะไรโดยมันดูดลงต่ำตลอดชักหน้าชักตาให้เสแส้งตลอดบางเรื่องไม่น่าต้องโกหกก็โกหกเล่นเสียอย่างนั้นเองด้วยความเคยนิสัยพอเห็นเงากรรมได้ฉันก็มานั่งแปลกใจว่าแต่ก่อนทำไมไม่เห็นความจริงมันปรากฏให้รู้สึกสัมผัสอยู่ตรงตร ง, ตงเรากับสามารถเห็นรูปทรงสีสันด้วยตาเปล่าอาจจะเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่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 สำหรับการพูดจาส่อเสียดหรือด่าทอนั้นทบทวนจากตนเองในอดีตและดูเอาจากคนรอบข้างที่มีรสนิยมในการว่าร้ายเป็นนิตแล้วก็เห็นชัดคล้ายจิตพ่นไฟร้อนๆบางทีแลบออกมาพร้อมคำพูดบางทีแลบออกมาจากศีรษะขณะกำลังตั้งใจจะพูดเลยทีเดียวจิตที่ให้ความร้อนย่อมไม่อาจนิ่งเย็นได้นานถึงแม้ภาวนาดีเพียงใด